ออวันนี้จะได้แสดงเรื่องสิงคาลกสูตรในตอนสุดท้ายคือตอนที่สามท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าในสิงคาลกสูตรนั้นผู้เจ้าทรงแสดงการปฏิบัติพัฒนาชีวิตของบุคคลมาให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมด้วยตัวคนตัวเองก่อนและต่อจากนั้นก็ทรงสอนเรื่องหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ต่อกิจาการงานและต่อบุคคลทั้งหลายมาถึงตอนสุดท้ายก็ส่งสรุปถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรมดังที่กล่าวแล้วและต้องมาเสริมคุณธรรมส่วนอื่นขึ้นโดยเรียกคนประเภทนี้ว่าเป็นบัณฑิตคำว่าบัณฑิตในความหมายทางาศาสนาก็คือคนที่สามารถบำเพ็ญประโยชน์ที่เป็นกิจลักษณะ อันเกื้อกูลทั้งแก่ตนและแก่คนอื่น แ, แสดงว่าทำประโยชน์ได้สองฝ่ายคือประโยชน์ตนด้วยประโยชน์บุคคลอื่นด้วยแล้วเป็นประโยชน์ในโลกนี้ด้วยประโยชน์หน้าด้วยต่อจากนั้นก็ทรงแสดงว่าปันดีโตศีลสามปันโนคือบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยศีลคาว่าศีลในที่นี้จึงมีอยู่สองในยะด้วยกันในยะแรก ก็คือเรื่องของศีลที่ได้ศึกษาสมาทานกันนิยามที่2คือหมายถึงระเบียบวินัยในการดำารงชีวิตตามเงื่อนไขต่างๆที่ทรงแสดงมาแล้วพระสงฆ์ชายคาว่าเป็นขีหิวินยัยคือประสูน์ข้อนี้เป็นขีหิวินยัยวินัยของชาวบ้านหรือวินัยของผู้ครองเรือนบัณฑิต ท, ที่สมบูรณ์ด้วยศีลมีถ้อยคาที่สละสลวยละเอียดอ่อนคือเป็นคนละเอียดอ่อน นี่ก็เป็นอาการที่แสดงออกมาได้ทั้งทางกายทั้งทางวจาคือสันโหรนั้นบางครั้งก็เป็นอาการทางวจาคือถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนบานแต่บางครั้งก็เป็นแสดงถึงลักษณะนิสัยคือพื้นเพความเป็นผู้ดีเป็นผู้ที่ละเมียดละไมเรียบร้อยสวยงามในรียาบท่างๆในการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแล้วปฏิภาณวาคือมีไหวพริบ มีปฏิพานในการทำงานซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องไหวพริบปฏิพานนั้นบางเรื่องเราก็สอนกันไม่ได้เป็นเรื่องที่คนซึ่งได้ศึกษาได้สะดับสับฟังได้พินิจพิจารณาแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกใช้ให้เหมาะสมแ ก, ก่กรณีแก่เหตุการณ์ด้วยตัวของตัวเองคนเราจึงมีคำว่าฉลาดคู่กับความเฉลียว บางทีคนฉลาดแยะแต่ขาดเฉลียวก็คือขาดไหวพริบขาดปฏิพันธ์ในการทํางานในการเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายนั่นเองบางครั้งการแก้ปัญหาของคนจึงกลายเป็นการสร้างปัญหาเพราะเนื่องจากขาดปฏิพันธ์แต่โดยความหมายที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะฮะปฏิพันธ์นั้นหมายถึงว่าความเป็นผู้มีเฉลียวฉลาด ในถ้อยคำในโวหารต่างๆตลอดถึงในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่ท่านเล่าถึงรัชกาลที่ห <c oughs> เสด็จไปประพาสยุโรปไปที่ประเทศอังกฤษในรัชกาลที่ห้าท่านมีพระสนมแยะเมสีกะหลายองค์ในเจ้าหญิงอังกฤษมาทูลถามว่า กะว่าพระองค์นี้มีพระสนมมากเลอเกินทําไมพระมากษัตริย์สยามจึงมีพระสนมมากท่านก็บอกว่าพระชันไม่พบเธอซะก่อนก็เป็นนั้นว่าเป็นแสดงว่าเป็นการแก้ปัญหาที่นิ่มนวลมากแล้วก็ตัดปัญหาได้หมดเลยคือเจ้าหญิงนั้นก็ไม่สักอีกต่อไปนี่คือไหวพิปฏิภาณซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่อย่างนโปเลียนกับพระเจ้าชาที่เขาไปเจอกันนโปเลียนแกขึ้นมาจากราษฎร ไอ้พระเจ้าชานั้นเป็นเชื้อพระวง์มาตลอดแต่นโปเลียนตอนนั้นก็ก็ใหญ่นะฮะเราต้องการจะแสดงปมเครื่องคือคนมีปมด้อยก็พยายามแสดงปมเครื่องก็ยืนสนทนากันสององค์นาโปเลียนก็ทํำผ้าชเช็ดหน้าให้หลน่นโดยมุ่งหวังจะให้พระเจ้าชาหยิบให้หรือ แ, แสดงว่าฉันก็ใหญ่พระเจ้าชาท่านก็ทําของท่านให้หล่นด้วยแล้วท่านก็หยิบเอง ต่ก็หยิบเองก็เป็นการเตือนว่าเมื่อทำหล่นเองได้ก็หยิบเ อ, เองได้นี่คือเรื่องของไห้พริบปฏิภาณที่เราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ของเรานี่เยอะหลายองค์อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านเสด็จประพาสยุโรปอเมริกาตอนนั้นนะฮะตอนปริวัติเพศคือศึกไปใหม่ๆคือมีพระดารัสตอนหนึ่งที่ไปรับสั่งที่อเมริกาแต่เราก็ภาคภูมิใน ไว้พริปฏิผ่านของพระองค์มากประเทศไทยเราสมัยนั้นเพื่อนก็ถือว่าด้อยพัฒนานะคือไปไหนเพื่อนเห็นหน้ากันึนกว่ามาขออีกแย่เนียมีนักข่างซื้อพิมพ์ทูลถามว่าพระองค์จะมาขอให้อเมริกาช่วยอะไรบ้างพระองค์บอกไม่ได้มาขอนี่มาให้คือนำเอมาไมตรีจิตมิตรภาพของคนไทยมาให้แก่คนอเมริกาเป็นความที่ใค ร, รเาะนึกเกนครับ และเป็นการแก้ทางคําพูดได้นิ่มนวล ส, ะสะละสะดวยลักษณะเหล่านี้จึงเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะคนถึงบางทีเราก็สอนอะไรกันไม่ได้เรื่องไว้พิบเรื่องปฏิพานต่างๆพวกนักปราศทั้งหลายที่มีชื่อมีเสียงนะฮะแนวปฏิาพานธ์ของท่านนี่เยอะแยะหมดเลยไม่ว่าใครก็ตาม อย่างศรีปาฏก็ดีสุนทรภู่ก็ดีราชการที่หเนี่ยคือรวบรวมวาทะของท่านที่แสดงความมีปฏิพันธ์เอาไว้มากซึ่งแต่ละอย่างบางอย่างนี้เราก็มานํามาปรับใช้ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ท่านที่เคยอ่าวนวรรณกรรมวรรณคาดีที่เกี่ยวกับเรื่องพระภยัยมันเอ่เรื่องสุนทรภู่มานะฮะจะมีคราวหนึ่งที่สุนทรภู่ไปจนแต้มไปบวชใหม่ๆแล้วก็ปายเรือปายโยมาของ เห็นพระมาก็ขอมาถวายโยมถวายสังฆทานไม่เป็นส่นตัวผู้ก็ไม่เป็นกระต่างคนต่างก็ไม่เป็นชาวบ้านก็ขอให้ท่านช่วยนําถวายสังฆทานท่านก็ไม่รู้จะว่าย่งไงแต่ว่าอาศัยปฏิภาณแต่ก็นำญาติโยมขึ้นเลยอิมัตสมิงริมฝั่งก็นั่งกริมแม่น้ําก็เป็นภาษาบาลีอยู่ตัวนะฮะอิมัตสิง มัสหมิงริมฝังอิมังปราระเกาะารยายของถวายอะไรเนี่ยมัสหมิงริมฝังอิมังปราระกุ้งแข่งแตงกวาอีกปลาดุกย่างชอบมะกอกดอกมะปรางเนื้อย่างยำ ม, มดันเข้าสุกค่อนขันน้ํามันขวดหนึ่งน้ำพึ่งครึ่งโถส้มโอแช่อิอมทับทิมสองผลเป็นยอดกุศลสังคสเทมิก็ตกลงว่ามีคำบาลีอยู่สามคำมัสหมิงอยู่ข้าหัวตัวนึงแล้วก็สังคสเทมิ อยย่ข้างใต้สองตัวก็ถวายแก่สงถวายแก่สงในในที่นี้ที่จริงคาทีนะแล้วก็ชาวบ้านเอง ก, ก็ชอบใจก็ชอบใจว่าท่านสามารถที่จะให้ความสำคัญแก่อาหารทุกอย่างที่เขายกมาถวายเออก็กลายเป็นเรื่องที่เล่าขานแล้วก็ยกจ้องเชิดชู ก, กันยังก็มีหลวงตาองค์หนึ่งนี่แกไปบวชบวชไม่ใหม่เหมือนกันนะเนี่ย ตอนนี้มวลไปสวดปลดชกหมาบางสกุลเนี่ยลุงตาไม่เป็นมาตั้งแต่ต้นนะฮะแต่ตอนตอนนั้นมันก็ดำน้ําไปได้เพราะมาันสวดหลายองค์แต่ว่าตอนยกไปพิจารณาข่าเนี่ยมันไปทีละองค์ท่านก็ไม่รู้ยังไงไม่รู้จะว่ายังไงก็ได้ยินเพื่อนได้ว่าคนก่อนๆเขาว่าอนิจจาวัตสังคารานะฮะไอแกนในสังคารามก็นึกไม่ออกมันได้สองตัวเองอนิจจาวตตะ วันนี้คนตายก็ชื่อว่าแก้วนะฮะท่านก็ไปเลยอา น, นิจจาวตสีกาแก้วตายแล้วไปเมืองผีท้าแก่อยู่ข้างหลังระวังให้ดีๆตายแล้วไปเมืองผีบูปสมโมสุขโขก็ได้บาลีอยู่สามคำเหมือนกันท้าแก่ชอบใจนะฮะเคยคิดถึงเมียแกด้วยพระองค์อื่นพูดไม่ออกชื่อเมียเลยองค์นี้ออกเลยถวายพิเศษเลย อันนี้ก็คือเรื่องของปฏิภาณนะฮะมันมันมันเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะคนจริงๆเลยเรื่องปฏิภาณเนะี่ยปฏิภาณในการทํางานในการจัดงานเราจะเห็นว่างานบางอย่างนี่คนที่ขาดปฏิภาณมันก็ทํางานติดรูปแบบอยเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงวิธีการเหล่านั้นเช่นใช้เวลาทําน้ําพริกก็น้ําพริกอย่างเงี้ยปรุงเมื่อสาวๆก็อย่างเงี้ยรถอย่างเงี้ยพอแก่แล้วก็รถอย่างเงี้ยคือแสดงว่ารักษาฝีมือไว้ได้แต่ก็ไม่ได้มีการปรับอะไรไม่มีไหวพริบปฏิภาณอะไร ทจะแก้ให้มันรสชาติมันแปลกขึ้นหรือว่าใชา้เวลาให้น้อยลงเป็นต้นเรื่องนี้ปฏิพานนี่จึงถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะจริงๆเรื่องเฉพาะคนเราเราลองดูอย่างแนวของศีรษะเนี่ยท่านที่อา่านวรรณกรรมเนี่ยวรรณกรรมต่างๆ่นี่เราเห็นแววมากเลยว่าไอ้คนที่ไหวพริบปฏิพานแบบนี้มันหาได้ยากมากดังนั้นจึงถือว่าคนประเภทนี้จึงเป็นบัณฑิตเป็นคนที่เฉลียวฉลาดไหวพริบ อย่างที่อามาเคยเล่าว่าพระพุทธเจ้านี่มีคนมาดา่ามาด่าชุดหนึ่งฮะคือไม่ใช่ทั้งชุดแ่ะแต่ว่ามันมามาตามลำดับพี่ชายใหญ่มา ก, ก่อนแล้วก็มาก็น้องชายรองแล้วก็น้องชายคนที่รองแล้วน้องชายคนที่สี่มาด้วยวาทะที่ด่าเหมือนกันแต่พระเจ้าแก้ไม่เหมือนกันเลยแก้ทั้งสีคนนั้นแก้คนละแนวหมดเลยแล้วก็คนทั้งสีนั้นได้ศรัทธาเลื่อมใสเอามาบวชหมดเลย เพราะอะไรพราะพระเจ้าทรงแตกฉาสในปฏิสัมพิทาข้อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิธาคือมีความเฉลียวฉลาดในปฏิภาณไววพริบต่างๆที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นคือเราดูมูลมูลของปัญหาคล้ายๆกันถ้าด่าเหมือนกันเมัอต้องแก้ทางเดียวกันแต่แท้ที่จริงไอ้พื้นฐานของการด่ามันไม่เหมือนกันพระเจ้าก็ทรงยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปและในที่สุดก็หาข้อยุติลงมาได้คือว่าแก้ได้ทั้งหมด ข้อต่อไปก็คือนิวานวุติอันนี้ท่านก็คงจะเคยได้ยินคำบาลีนะฮะคาราวจะนิวาโตจะ น, นิวานวุติวาตาก็คือลมนะฮะอันนี้ก็คือออกที่จริงก็คือสำนวนในไทยก็คือคนที่ไม่เบ่งฮะมีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลอื่นซึ่งก็พร้อมที่จะยอมรับนับถือฐานะของคนอื่น อย่างที่ทางศาสนาแสดงวุฒะบุคคลคือผู้เจริญเอาไว้เป็นสามพวกนะฮะเจริญโดยชาติจเจริญโดยคุณจเจริญโดยไหวแสดงว่าคนเราก็พร้อมที่จะนับถือคนอื่นได้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ท่าผู้แก่อย่างไงคือบางทีเด็กแก่มีความรอบรู้ในเรื่องนี้เราก็ยกย่องแก่ในเรื่องนี้ได้แล้วก็เด็กซึ่งอาจจะเกิดมาในฐานะในตระกูลสูงแต่ว่าท่านผู้นี้มีอายุมากเราก็กรบอายุท่านก็แสดงว่า ต่างคนต่างก็ให้เกียรติกันได้ไม่มีใครที่อยู่ในฐานะซึ่งคนอื่นจะต้องเคารพโดยส่วนเดียวหรือไม่มีใครที่จะต้องให้จะต้องเคารพคนอื่นโดยส่วนเดียวเหือนกันเราก็มีจุดที่จะยอมรับกันได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราถือว่ายอดแล้วนะฮะเป็นโลกกระเชดิดเป็นพี่ใหญ่ของชาวโลกแล้วแต่เอาจริงพระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพธรรมต้องประพฤติอ่อนน้อมต่อธรรมะ เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปนะฮะมีพระแสดงธรรมรพระรรพระรุทธเจ้าต้องหยุดหยุดฟังธรรมไม่เสด็จผ่านก็ธรรมเนียมนี้มาจนถึงเมืองภัยเราเนะี่ยฮะเราจะเห็นว่าบางทีเราก็เลอะอย่างในกรณีเช่นสมมุติเราไปงานศพนะฮะไปงานศพพระเทศอยู่เนี่ยคือตอนนั้นธรรมะมันเป็นใหญ่สมเด็จสังกราชเสด็จก็ลุกขึ้นรับไม่ได้ เพราท่านลุกขึ้นรับสมเด็จสังราชแสดงไม่เคารวธรรมะแต่เราก็ก็ไม่ค่อยถืออะไรกันเท่าไหร่แต่เราต้องต้องต้องยอมรับพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นเชิดเชิดชูธรรมะก็ถือธรรมะเป็นหนึ่งพระพุทธเจ้าเองอย่างเคารวธรรมะแต่เราก็ไม่ค่อยถือกันฮะบางทีพระเราเองเนี่ยก็บังฟังเทศน์อยู่ผู้ใหญ่มาลุกขึ้นก็กุกกะกุกกะลุกขึ้นไม่ได้ลุกขึ้นไม่ได้ถ้าลุกขึ้นแล้วไม่คารวธรรมะทันทีได้ อันนี้มันก็อยู่ที่การแบ่งอย่างชตาปานิอุบาสกนะฮะแกนั่งอยู่ในพุทธสํานักข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสิทธิโกศลเสด็จแต่นั่งเฉยพระเจ้าประสินทนิโกศลไม่พอพระทยัยพระเจ้าก็หลังจากสนทนาเสร็จก็สรรเสริญคุณสมบัติของชตปานิให้พระเจ้าประเสิทธิโกศลฟังต่อมาบัาหลังชตาปานิท่านเดินผ่านไอ้ลานหลวง คือผ่านทางช่องประแกลก็พระเจ้าประเสริฐนี่กศลเห็นข้าวก็รั บ, รบสั่งให้หมานเล็กไปเรียกมาจตตปานี้ก็ถวายบังคมด้วยความเคารพเลยพระเจ้าประเสริฐนี่กศลท่านยังคุนคุนอยู่นะฮะท่านบอกเออเธอพบฉันวันก่อนเนี่ยไม่ได้แสดงความเคารพอะไรยวันนี้ทำไมแสดงความเคารพ ท, ทําไมท่านบอกวันผิดการบางคนเราจะานะเวลานั้นท่านอยู่ในสํานักของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์นั้นก็เปรียบเหมือนเจ้าประเทศสราชคือนั่งอยู่กับพระเจ้าจากักรพรรดิลุกต้อนรับพระเจ้าประเทศราชก็แสดงว่าไม่เคารพพระเจ้าจากักรพรรดินี่ก็คือหลักในการปฏิบัติแล้วมันก็ออกมาในรูปของวินัยนะวินัยเราเช่นว่าเรานั่งอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยแล้วผู้ใหญ่เราอื่นมาจะ ก, กี่องค์ก็ตามเราไม่ลุกขึ้นรับไม่ลุกขึ้นไปกราบอะไรท่านค่อยไปกราบให้องค์นี้ลุกขึ้นไปก่อน คือค่อยไหว้กันทีหลังอีตอนนี้ไหว้ไม่ได้เพราะถ้าไหว้แล้วก็ถือว่าขาดความเคารพต่อองค์นี้นี่คือระเบียบเลยเป็นระเบียบที่จะแสดงความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแล้ก็ต้องดูนะครต้องดูให้เหมาะสมแต่สรุปว่านิวาตาวุติเนี่ยก็คือไม่ยิงพยองไม่ลำพองไม่เป็นคนที่จมไม่ลงอะไรในลักษณะนี้คือนิวาณะวุติ แปลว่าก็ไม่เบ่งนฮะพูดเป็นไทยไทยก็คือไม่เบ่งต่อไปก็อัทธัตโทคือไม่กระด้างลักษณะกระด้างก็ที่จริงเป็นมานะนะฮะเป็นมานะบางทีก็ทรงอุปมาเหมือนเสาบางทีก็ใช้ในคำว่ารัตอัทธัตโทคือกระด้างบางทีก็ใช้มานะคือถือตัวกิเลสประเภทเดียวกันนะฮะกิเลสประเภทเดียวกันแต่ว่า ในหมู่ชาวบ้านแล้วสวดมากจะใช้ในอันี้ใช้อัตโทแต่ใช้กับพระและ้วสวดมากจะใช้มานะคือกระด้างเป็นคนที่หยาบกล้านไม่รู้จักเคารพยำเกรงใครไม่ให้เกียรติไม่ยกย่องใครซึ่งอาจจะอาศัยอะไรก็ได้แต่ตัวเหตุเกิดมันก็คือคือกันนะฮะอาจะเกิดเพราะทรัพย์สมบัติเพราะรูปร่างเพราะวิชาความรู้ระฐานะทางสังคมเพราะยศศักดิ์เพราะเงินทอง เ, ออเพราะอะไรฐานะต่างๆมันเยอะแยะคือคนเรามันพร้อมที่จะกระด้างได้ ไปเมืองนอกมาสักหกเจวันมันก็กระด้างได้แนละฉันผ่านเมืองนอกหมดแล้วคือมันมันมันมันเหตุที่ให้เกิดมาเนะนี่ยมันเกิดได้เยอไอ้ความกระด้างบางทีก็กระด้างเป็นนิสัยเป็นลักษณะของความก้าวร้าวของคนบางคนก็ทําให้เสียเสียอะไรไปไปเยอะนี่ก็เป็นเป็นคุณธรรมชุดหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็ออกมานอกออกมานอกเวทบงของคนที่เราเกี่ยวข้องแล้วคือหมายถึงว่า เราก็ไม่ได้อยู่เฉพาะแวดวงแต่ว่าพ่อไ อ, อ้มันดาบิดาครูบาอาจารย์มิสหายบุตรพันยาสมณะพรามตลอดถึงค้าถาดปริวานแต่เรายังมีคนอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราในฐานะนั้นๆเพราะงั้นมันก็ต้องสร้างฐานตัวเองในชุดนี้ก็ทรงสร้างที่อะไรคือสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนมีไว้พิปฏิพานมีการประพฤติอ่อนน้อมแล้วก็ไม่กระด้างไอ้นี่ก็ชุดหนึ่ง จุดต่อไปก็สรุปเป็นชุดนะฮะคนประเภทนี้ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ก็ย่อมได้ยศคําว่ายศในความหมายาศาสนาท่านก็แบ่งเป็น3ยศยศหนึ่งก็คืออิสรยะความเป็นใหญ่อ้นี้ไม่แน่แร้วบางทีวิ่งเต้นเัาก็ได้ไออะไรประจบประแจงเจ้านายดีก็ได้ยศแล้มันก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไหร่แล้วก็วที่จริงอิสรยศใครเข้าวถึงได้เร็วก็เป็นได้เร็วพวกหมอนวดมันก็จะเริญได้เดีย ก็อีกพวกหนึ่งก็คือบริวารยศซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าไอ้บริวารยศมันก็อีกอะคือให้เงินมันดีๆบางคนห้อมล้อมได้ยเยอะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่จะได้ไม่ได้เลยคือเกียรติยศพวกนี้จึงเน้นไปที่เกียรติยศเกียรติยศก็คือคุณธรรมความดีซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของคนอื่นเขาซึ่งคนนั้นไม่จําเป็นจะต้องให้อะไรเขาแต่ก็เป็นความดีที่สังมคมเขายอมรับเรียกว่าได้เกียรติ กิติสัตโดอภุ ก, กะโตคือเกียรติเนี่ยมันฟุ้งกระจรไปได้เราจะพบว่าคนดีซึ่งอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองเราก็ไม่เคยรู้จักหน้าคาตาของเขาแต่ว่าเขามีคุณธรรมความดีดังกล่าวคนก็ยกย่องสรนเสริญรรบุคคลประเภทนั้นมีชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ชุดต่อไปก็คือเรื่องของความหมั่นขยั น, นศาสนาพุทธเรานั้นเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามทุกขั้นตอน ไม่ว่าขั้นไหนก็ตามยังมีคนเขาเขาไปพูดนะฮะว่าประเทศไทยที่ด้อยพัฒนาเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้คนเกียรตครานก็ไม่รู้อ้อมมาจากไหนว่าไม่มีเลยนะฮะธรรมะในพระพุทธศาสนาที่สอนให้เกียรตครานเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็ประนามการเกียรตครานว่ายอย่างแรงคือถือว่าเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าไม่มีคุณค่าอะไรเป็นโมฆะชีวิตตันิไว้มากเลยแล้วก็เป็นอบายยมุกอย่างที่เคยพูดมาในวันก่อน ความมันขยานในที่นี้สรงใช้คํว่าอุทานโกนะคอุทานโกคือมีความเพียนเป็นเหตุลุกขึ้นทำการงานเวลาเขาแปลจริงๆนะครคือคาที่ที่ส่งใช้ในพระพุทธศาสนาจะมีลักษณะที่เคลื่อนไหวคือเราเห็นภาพของถ้อยคำเหล่านั้นที่เมื่อเปล่งออกไปนะฮะแต่ก็หมายความว่าเราจะต้องเข้าใจเนื้อหาทางภาษาบาลีว่าถ้อยคำเหล่านี้มันหมายความว่าอย่างไง อุทานกโกก็คือมีความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นทําการงานคือพื้นใจจริงๆนั้นไม่หวาดหวันต่อไอสิ่งภายนอกไม่อ้างร้อนหนาวเช้าสายบ่ายเย็นหิวกระหายเหลือบยุงรมแดดฝนตกแดดออกอะไรต่ออะไรนี่ก็ไม่เอามาเป็นเงื่อนไขในการอ้างปวดหัวปวดท้องเป็นต้นก็ไม่เป็นเงื่อนไขในการอ้างแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาประกอบกลยุกิจการงานของตนจงึจงจ ง, จงใช้คำว่าอุทานกโกที่ หัวเศรษฐีก็ทรงใช้อุทานสัมปทานะฮะก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันผสมบูรณ์ด้วยความหมั่นขยันแต่นี้มันหมายถึงเป็นเป็นชื่อของบุคคละฮะผู้ที่ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นทำการงานแล้วก็ตอกย้ำลงไปอีกอนาละโศ ค, คือไม่เกียดคร้านไม่เกียดคร้านไม่อืดไม่เฉยไม่ช้าไม่บีบขี้เกียจไรสารพัดฮะ ซึ่งก็ถ้าเป็นคนเกียร์ครา้าดหรือนารโศเนี่ยเป็นคนเกียร์คราดมันก็พร้อมที่จะอ้างอะไรอย่างที่บ้ามาแล้วได้แต่ว่าคนประเภทนี้จะไม่เป็นคนเกียรคราดในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองกนขึ้นอยู่กับว่าเรามีหน้าที่อะไรแล้วก็เมื่อไม่เกียร์คราดจะต้องประพฤติกระทําการงานที่ไม่ขาดสายบางทีทรงใช้คําว่าไม่ทอดทิ้งธุระธุระ ก็คืองานรอบด้านนะธุระบางทีแปลว่าแอกนะธุระบางทีแปลว่าแอกคือหมายความว่าไองานทุกฝ่ายงานทุกด้านทุกแง่ทุกมุมที่เราทําไปแล้วก็ไม่ทอดทิ้งธุระในระหวะ่างซึ่งในมงคล38ประการก็ทรงแสดงอะไรการงานไม่ค้างค้างอากูลการงานไม่ค้างค้างอากูลก็เป็นอุดมมงคลทําไมต้งข้างค้างก็เพราะทอดทิ้งทําจับทําจดทําหยิบโน้นหยิบนี้ก็ทําอะไรไม่เสร็จสักอย่างหนะี่งครนี่ก็คืองานที่ข้างค้างอากูล แต่ในที่นี้ทรงใช้คำว่าไม่ทอดทิ้งธุระไม่ทอดทิ้งการงานเสียในระหว่างคือรเริ่มอะไรมันก็เดินหน้าไปให้ตลอดแต่นั้น เ, เพื่อตอกย้ําให้เห็นเป็นรูปของความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติจึงทรงแสดงว่าคนที่ประกอบด้วยความเพียร น, นั้นจะต้องมีลักษณะคือมีคุณสมบัติอยู่สาประการคือเนื่อ ง, งานใดที่เป็นภาระหน้าที่ซึ่งเราจะต้องกระทําต้องทําการงานนั้นให้สําเร็จ นีประการหนึ่งคือจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นภาระหน้าที่เป็นกิจการงานของเราโดยตรงที่เราจะต้องทําให้สําเร็จประการที่สองงานแทรกซ้อนคืองานซ้อนเนี่ยมันเยอะงานจอนอะ่ะมันแทรกซ้อนเข้ามาเยอะก็ต้องทําให้สําเร็จด้วยเลยก็ก็มีงานอยู่สองงานนะฮะคืองานที่เป็นหน้าที่ก็งานที่จะที่จอนเข้ามาในข้อที่สมจึงส่งใช้คําว่าต้องทํางานนั้นด้วยความหมั่นขยัน เขาจริงก็จังเพราะถ้าวันไหนเราผัดวันประกันพรุ่งรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนแล้วปรเดี๋ยวมันก็เกิดเป็นภาวะดินพอกหาหมูแล้วก็สางกันไม่จบสักทีหนึ่งงานบางอย่างที่ควรจะเสร็จได้เร็วมันก็เสร็จได้ช้าไปหมดเลยแต่ว่าระเบียบการทํางานยังทรงแสดงไว้ละเอียดนะฮะละเอียดในว่าขั้นตอนว่าอะไรควรจะทําก่อนทําหลังอะไรควรช้าควรเร็วอะไรต่วอะไรเนี่ยคือคือคือก็เหมือนกับภาษิตของไทยโบราณที่ท่านสอนไว้นะฮะ น้ำขึ้นในรีบตักชาชาได้พระสองเล่มงามนะ่ยมันพูดกันคนกรณีนะฮะพูดกันคนรักรณีแล้วเราก็เตมาอ้างให้ตีกันสับสนอะไรเนี่ยคือการการใช้ธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะอย่าให้สับสนไม่ชาเนี่ยอาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นคริสเตรียมแผนจะดูดกลืนธรรมะในระพุทธศาสนานในพระควรใช้อุเบกขาอันนี้เรียกชาธรรมะไม่เป็นนะฮืนชาธรรมะนี่ชาติบ้านเมืองพังเลย ก็เหมือนกตอนกรุงมันจะแตกนะไอ้คราวที่จะยิงพม่าคาดศึกไอ้คนข้างในก็กลัวเสียงปืนเลยไม่ต้องยิงไงพระเจ้าตากสินเกือบตายไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราเราใช้ธรรมะไม่เป็นธรรมะนี่มันต้องใช้เป็นเครื่องธรมานุธรรมะปฏิปันโนที่มาตอกย้ำบ่อยๆนะฮะหรือพระเจ้าทรงแสดงไว้เรื่อยเลยปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมแก่กาลละแก่เทศะแก่บุคคลแก่เหตุการณ์อะไรต่างๆ มันไม่ใช่ว่าจะอุเบกขาแล้วอุเบกขาใช้ในกรณีเดียวเท่านั้นนะฮะใช้ในกรณีเดียวในชีวิตประจําวันของเราก็คือยามประสบกับสิ่งที่ไม่อยู่ในวิสัยซึ่งเราจะทําอะไรได้เราจะเศร้าโศกเสียใจก็เท่านั้นแหละมันไม่ช่วยอะไรขึ้นเราจะไปซ้ำเติมเขา่มามันก็เป็นการทําลายคุณภาพจิตเราเองท่านจึงแปลว่าอุเบกขาคือวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อคนอื่นประสบความิุกข์ คนที่ประสบความพิบัติก็คือคนที่เราชอบกับคนที่เราชังถ้าคนที่เราชอบเราเกิดเสียใจเราก็เข้าเศร้าเข้าโศกโธรรมนะถ้าคนที่เราชังเราเกิดดีใจเราก็สแสดงว่าเราไม่มีสมบัติผู้ดีไปซ้ําเติมคนเอาง่ายๆกันอย่างนั้นนะก็ไปซ้ำเติมคนซึ่งกําลังประสบความพิบัติอยู่แล้วเขใช้ในกรณีนั้นนั้ น, น, นไม่ใช่อุเบกขาเรื่อยใครจะหกกระมร์ตีลังกาอย่างไรอุเบกขากันเรื่อยๆก็ไม่ต้องอยู่กันในบ้านในเมืองนี้ มันมันมันทำมาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ที่จะต้องอยู่ในลักษณะที่ใช้เป็นนะมันเป็นมันเป็นเทคนิคประการหนึ่งอ่ะที่เราจะต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ต่อไปก็คือมีปัญญานะมีปัญญาเป็นหลักในการดำรงชีวิตก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นของการดำรงชีวิตที่ทรงแสดงไว้มากนะฮะปัญญาระดับระดับการครองเรือนระดับกิจวิไนเนี่ยก็คืออะไรก็คือแยกให้รู้ว่าอะไร เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติซึ่งในชั้นนี้เราก็แยกกันได้ตลอดแหละก็รู้กันแต่เอาก็จริงในชั้นของการปฏิบัติเนี่ยบางทีเราก็เลิกไม่ได้อย่างในกรณีที่คนดื่มเหล้าก็รู้ว่าเหล้ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นสามารถที่จะสั่งสอนลูกหลานได้แต่ตัวเองก็ดื่มด้วยก็ปัญญาก็รักษาตัวอะไรไม่ได้ในกรณีนี้ จึงมีปัญญาในชั้นหนึ่งที่เรียกว่าต้องมีความฉลาดในอุบายวิธีที่จะหลีกเรื่องเหล่านี้ที่จะละเว้นเรื่องเหล่านี้คือละเว้นสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์พวกเหล่านี้ก็ออกไปมาบำเพ็ญในสิ่งที่เป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความสุขนี่ก็เรียกว่าปัญญาในขั้นของการใช้งานท่นานใช้คว่าโกศล น, นะฮะคือฉลาด ฉลาดในทางเสื่อมฉลาดในทางเจริญแล้วก็ฉลาดในอุบายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดาเนินในทางเจริญนี่ก็เป็นเป็นธรรมะอีกชุดหนึ่งข้อต่อไปก็คือไม่หวั่นไหวในอันตรายเรื่องอันตรายทั้งหลายนั้นพระพุทธศาสนาแสดงว่าในภาวะวิกฤตนะต้องการคนที่กล้าหาญเราจะเห็นว่าอันตรายถ้าเราเห็นว่ามันใหญ่แล้วเราจะเล็กลงนะ แต่ถ้าเราเห็นว่ามันเล็กแล้วเราจะรู้สึกใหญ่ขึ้นเรามีความเชื่อมั่นขึ้นเพราะงั้นอันตรายไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาจากบุคคลจากสัตว์จากสิ่งของจากธรรมชาติก็ตามคืออย่าไปถือว่ามันใหญ่เกินไปอย่างที่รู้ๆกันนะฮะในประวัติศาสตร์ของชาติไทยนี่ยโดยเฉพาะกรุงแตกครั้งที่สองเราจะเห็นว่าเราเห็นพม่ามันใหญ่เกินไปนกองทัพเล็กๆไอ้เรียกว่ากองโจรธรรมดาสามัญ แต่คนไทยไม่มองพมา่าเป็นยักษ์เป็นมารก็ต้องไปขายหน้าคนอื่นมาถึงปัจจุบันนะแต่เรามองเห็นพมา่าเป็นยักษ์เป็นมารหมดไปเห็นพมา่าเลยขาวขาวอ่อนหมดเลยทำอะไรไม่ได้ปล่อยเพื่อนเผาเผาบ้านเผาเมืองไปจะได้พอเราพอเราอง เ, เ, เราเสียขวัญเราเสียกําลังใจเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็นี้ก็เป็นบทอย่างหนึ่งที่พิสูจน์นะพระพุทธเจ้าทร ง, งแสดงว่ากําลังใจเนี่ยจะรู้ได้เมื่อยามมีอันตราย คนเรามันดูกันไม่ออกหรอว่าจิตใจจะมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเวลามีอันตรายไม่หวั่นไหวนี่ก็คือเป็นการพิสูจน์ว่าคนนั้นเป็นคนพร้อมที่จะทำงานในภาราหน้าที่ต่งตางๆได้เวลาคนรับผิดชอบใหญ่ๆทึ่งนั้นจะเห็นว่าอย่างนักการเมืองใหญ่ของสหรัฐนะเอ็ดเวิร์ดเคนเนดี ที่แกยังไม่กล้าสมัครประธานาธิบดีจนถึงปัจจุบันเพราะอะไรเพราะว่าภาวะวิกฤต แ, แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ขนาดรถคว่ำในปล้อยเลขานุการเรนีตายค้างอยู่ในรถได้งานเล็กๆ เ, เรียกว่าจิ๊บจ้อยมากเลยมันแก้ไม่ได้มันจะแก้ปัญหาระดับชาติได้ยังไงนี่เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจไม่มั่นคงแต่เราตั้งหลักตั้งตัวให้ได้แล้วเราก็ปัญหามันไม่ได้ใหญ่โตลึกซึ้งอะไรเราก็แก้ได้ ตอนตอนนี้ก็คนลืมๆมาต่อตอไปก็อาจจะสมัครก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นการพิสูจน์ไอลักษณะผู้นำนะฮะภาวะผู้นําไม่มีอยู่ในตัวคือปัญหาเล็กแก้ไม่ได้เนี่ปัญหาใหญ่ไปวางใจไม่ได้คนเราจะพิสูจน์อะไรมันก็ต้องพิสูจน์จากงา น, นเล็กๆมาได้ก่อนนี่ขนาดเรื่องเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างนั้นนะฮะเรายังคุมขวัญไว้ไม่อยู่ยังขวัญกระเจิงแล้วขึ้นมายืนตัวสั่นอยู่ด้วย กลับไปแล้วยังเพื่อนยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรอย่างนี้ดังนั้นในความไม่หวัดวันต่ออันตรายทั้งหลายเนี่ยก็คือการพร้อมที่จะเผชิญอันตรายทุกรูปแบบโดยจิตใจที่มั่นคงนะฮะซึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งก็เป็นชีวิตของผู้ครองเรือนแน่นอนได้เกินนะฮะชีวิตของผู้ครองเรือนธรรมดาธรรมดาเนี่ฮอย่างว่าโจปรปล้นบางทีเนี่ยไ อ, อ้ยังโจรเด็กๆที่ปล้อนอยู่ตามบ้านนอกบางทีเนี่ยมันเอาปืนจี้เขามือมันสั่นปื๊บปื๊บปื๊ะแล้วเราสั่นมากประมาณนะเลยมันปล้นได้ ถ้าเราจิตใจเข้มแข็งหน่อยแล้วมันไม่มีทางอะไรเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อเด็กๆนี่เด็กสิบแปดิบเก้ายี่นี่ยมันไปจี้เขาแล้วมือมันสั่นจากแจกกระปุลมันก็สั่นเนี้แต่เราก็สั่นกว่มันซะอีกครับเลยให้มันไดยก็วันวัันก่อนนี่มีครูคนหนึ่งฮะแกหลายปีแล้วนะฮะแกมารับเงินเดือนของโรงเรียนสมัยนั้นก็ร้นเงินเดือนครูกันแยะงั้นดังนแกวางแผนไว้เส็จมันก็พร้อมอ่ะ เป็นคนที่พร้อมคือลักษณะเตรียมพร้อมไวจนปล้นจริงๆเลยมาสามคนคนหนึ่งถือปืนคนหนึ่งถืออะไรขวานะคนหนึ่งถือมีดแกก็ถามน้องบอกจะปล้นเงินอาอไม่ต้องปล้นน้องไม่ต้องปล้นไม่ต้องปล้นเอาเลยมีอะไรพี่ให้หมดเลยพูดกันดีๆฮะก็หยิบให้หมดเลยที่ของในมันเห็นื้อตาเนี่ยก็จะต้องจะต่างหยิบให้หมดต้องให้หมดลแล้วเสร็จแล้วแกก็พูดอะนี่ไอเงินเดือนนี้ไม่ใช่ของพี่นะเนี่ย เป็เงินเดือนของครูที่โรงเรียนแล้วพี่ไปถึงจะมาบอกเขาว่าโจรปล้นเนี่ใครคงไม่เชื่อหรอกไอ้น้องจะยิงพี่จะตายครับยังไงยังไงมันคงจะชายนี่ก็หัวโตแหละอันนี้แกก็โจรมันก็ใจอ่อนแล้วนะครพราะมันได้ของหมดน่ะมันบอกว่าผมไม่ยิงพี่หรอกแกบอกถ้าไม่ยิงก็ยิงให้บาดเจ็บก็ได้ก็ได้อ้างว่าเป็นโจรปล้นไอ้น้องก็ไม่กล้ายิงอีกอ่ะเพราะเขาให้หมดแล้วแกบอกเอาท่านยิงให้ แขนเสื้อก็ได้ค้างเกงก็ได้ขาดขาดมีรอยกระสุนหน่อยเอาไปสแสดงกับเพื่อนก็ได้แล้วแกพูดจนเพลินอ่ะแกถามว่ามีลูกกระสุนอยู่กี่นัดมันบอกมีสามนัดอ๋อน้องยิงให้หมดเลยยิงหมดเลยกลางกลางเสื้อบอกยิงให้หมดเลยเออยิง ห, หมดเล ย, ยมลยันยิงเปียเป้ยงเปี้ยงสานัดพอยิงครบสานัดมันก็เหลือมีกระป๋านนะแกก็ดึงปืนข้างหลังมาถึงจ่อจับได้หมดทั้งสามคนนี่เราจะเห็นว่าคืออะไร จ, จิตใจมันมั่นคงไม่หวั่นไหว ไม่เอ่อมั่นคงจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออันตรายต่างๆนี่มันมันพลิกสถานการณ์ได้พลิกสถานการณ์ได้แต่ถ้าหากว่าเราจิตใจเราอ่อนไหวเราไม่มั่นคงสถานการณ์เราอยู่เหนือมันก็กลับอยู่พ่แพ้เข้าได้เราดูตัวตัวอย่างบทเรียนในประวัติศาสตร์นะฮะมันเป็นตัวอย่างสําคัญหรือมแม้แต่บทเรียนจากวระเจริญว่าตัวหลักใจของเราเนี่ยเวลาเผชิญปัญหาวิกฤตต่างๆเข้าเนี่ย มันมีความมั่นคงขนาดไหนมันถูกด่าถูกว่าถูกดูหมิ่นเหยียดยามถูกประนามข่มขูอะไรสารพัดเนี่ยแต่คนเราถ้าไปหวาดวันต่ออันตรายขนาดนั้นแล้วก็รับรองคนนี้ไปไม่ได้ถึงไหนครับ ไ, ไปไม่ได้เพราะว่าอันตรายข้างหน้ามีมากกว่า น, นั้นเขาฝ่าความอันตรายระดับนี้ไม่ได้เขาก็ก้าวหน้าไปไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องพิสูจน์คนอย่างหนึ่งนะฮะว่าความบาดวันความบาดวันหรือไม่บาดวันเนี่ย แต่มันต้องดูเ ว, เวลาวิกฤต จ, จริงๆนะเวลาภาวะวิกฤต จ, จริงๆเพราะว่าก็เหมือนกับนิทานสหายสองคนที่ว่านั่นแหละคือคุยกันไปว่าพร้อมจะไปเชิญหน้าอะไรต่ใดในพ อ, พอมีมาตัวเดียวเพิ่งก็วิ่งหนีแหละนี่มันก็พิสูจน์ว่าพอมีอันตรายมันก็ก็ช่วยอะไรกันไม่ได้ตรงใช้คําว่าอุกติเทศสู้เราไม่ชันติวันก่อนนี่พบหนังสือเขียนปกไวบ้บลล์เลมเลยเขียนคาถาเนี่ยในภาวะวิกฤตเนี่ยต้อง มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงมั่นคงได้เท่าไรเนี่ยนะสํานวนกําลังภายในก็เรียกไรใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวคือหมายความว่าตอนนั้นเราต้องมั่นคงไว้นะฮะต้องมั่นคงไว้แล้วต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ได้อย่าตื่นอย่าสนกอย่าตกใจอย่าละล้าละหละังแม้เรือจะจมมันก็คุมได้เรือเรือสมมติว่าเรือจะคว่ำนะฮะอย่างน้อยเราก็คุมไว้ได้ขนาดน้ําน้ํามันข้าวนะคือไม่ถึงกับคว่ำไปจริงๆ แต่ถ้าเราเสียหลักแล้วในความหายของศูนย์หมดได้เลยนี่ก็คือหลักเพราะงั้นเราจะเห็นว่ากรณียสูดที่พระเจ้าทรงสแสดงเนี่ยมันเรื่องในสักโกองค์อาจมีจิตใจอง์อาจอันผู้ฉลาดในประโยชน์พึงทำที่ที่กัดที่เออซึ่งกิจที่ท่านผู้ใดบรรลุถึงทางสงบได้กระทาได้คือหนึ่งองอาจขึ้นมาหยงนั้นเลยองค์อา จ, อางง เ, ออาจเป็นลักษณะพระพุทธเจ้าเราก็เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้คือเป็นผู้องค์อาจเรวลองดูด้ว่า ไม่ว่าอะไรนะฮะ พ, พระพุทธเจ้าเผชิญวิกฤตการในรูปนักปราบใหญ่ใหญ่ท้าทายก็ไม่เป็นไรช้างเมามันก็ไม่เป็นไรนักโจรไล่าขาก็ไม่อะไรใครกลิ่งหินลงมาทับก็ไม่อะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุกลัวนะฮะแต่ก็เป็นปฏิปทาที่เราจะเดินตามพระองค์ได้คนเราก็ยังมีกิเลสคนถ้าไม่ไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่กลัวแล้วนะทีนี้ประการต่อไปก็คือ ทรงสรุปอีทีนะฮะตาดิโศละปฏเยสถานคนผู้นั้นย่อมได้ยศต่อไปก็สังกาหากโกน ะ, ะสังกาหากโกคือคําเหล่านี้เขาเป็นเป็นชื่อของคนนะฮะเป็นชื่อคนก็เรียกว่าผู้ผู้สงเคราะห์ใครๆ ก, ก, ก, ก็นักสังคมสงเคราะห์นี่สังก า, ากโกก็คือผู้สงเคราะห์ได้แก่เป็นคนที่สงเคราะห์คนอื่น การสงเคราะห์นั้นก็คือสงเคราะห์ในสองแนวนะแนวที่เป็นรู ป, ปรวัตถุต่างๆก็ตามที่เรามีการสงเคราะห์กันและแนวประการที่สองก็เรียกว่าธรรมสังกหะคือการสงเคราะห์โดยธรรมซึ่งก็หมายความว่าอาจจะเป็นการแนะ น, นําเสนอแนะแนวความคิดความเห็นหรือว่าให้ความรู้ความเข้าใจตลอดถึงว่าปฏิบัติธรรมต่อกันโดยความเอื้อเฟือ้อก็สรุปลงในคําว่าธรรมสังกหะคือการสงเคราะห์โดยธรรม อั ก, การสุกเพราะนั้นก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของการและการไว้ประการหนึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้เรากําลังเรียกร้องให้มีการสงเคราะห์กันมากแล้วก็เรียกร้องเข้ามาถึงถึงในวัดแล้วนะฮะพรุ่งนี้นึกว่าจะออกโทรทัศน์สักทีคือชาวบ้านเนี่ยมันชักจะชัจกจะสับสนกันใหญ่อะ่ะคือจะให้พระเนี่ยสงเคราะห์ให้งานสงเคราะห์สร้างธนาคารควายสร้างธนาคารข้าวขึ้นมาเพื่อสงเคราะห์ชาวบ้าน แต่ในขณะเดียวกันเขาลืมไปนะเขาด่าการเรียกไรของพระนะเขด่าการเรียกไรของพระแต่ในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้พระทําการสงเคราะห์ในรูปอมิตรโดยไม่ไนึกว่าสมมติว่าพระจะทํางานด้านนี้เอาเงินมาจากไหนฮะพระเป็นนายแบงค์ที่ไหนพระก็ไม่มีเงินฮะเพราะงั้นต้องเรียกไรเลยเรียกไรสองอย่างเรียกไรเรื่องสร้างวัดก็เรียกไรเรื่องสงเคราะห์ประชาชนทีนี้แหละพอชาวบ้านพอชาวบ้านเห็นพระก็ต้องวิ่งหนีแล้วมันต้องโดนเรียกไรงานนั่นแหละ าศาสนาอยู่ไม่ได้หรอกเรามองในมุมเดียวเราไม่ได้นึกถึงว่าอะไรคือเงื่อนไขที่จะออกมาในรูปอย่างนั้นพระทํา ง, งานสังคมรมสงเคราะห์ตัง ค, งครมสงเคราะห์ต้องมีของสงเคราะห์ของสงเคราะห์ต้องมีทุนในการสรงเคราะห์แล้วก็เดินกระบวนการต้องหาทุนหาที่ไหนรัฐบาลให้รัฐบาลให้รัฐบาลมีกรมอยู่แล้วมีกรมประชาสงเคราะห์มีหน่วยงานเยอะแยะไปหมดนะพระก็ต้องเรียกอะไราจากประชาชนแล้วได้ที่สุดมันก็แข่งกันมันก็แข่งสร้างพระใหญ่ แข่งสร้างพระใหญ่แสงสร้างโบสถ์ใหญ่กันแล้วก็โยมก็โดนภาษีอาณาณ์ทีนี้บิณทบาทเออตอนเช้าก็บินทบาทตอนบ่ายก็มาเรียบ ร, รายสงเคราะห์ชาวบ้านตอนเย็นก็เรียบรายสร้างโบสถนะ์วันละสามเวลาหลังอาหารไม่ต้องทำมาให้กินอะไรกัน น, ะนี่นี่คือเราหลงชิดทางนะฮะเรากําลังหลงชิดทางแล้วก็มีการรนรง์กันมากเกินเลยนี่บอกให้พระออกมาทํางานท่านเนี่ยไปซื้อควายมาสางเคราะห์ประชาชนเราไม่ไม่คิดว่าพระสร้างโรงเรียนนะ่ะมันเป็นสาธารณะ ควายมันเป็นประเจ้าชนฮะมันช่วยชาวนาคนคนเดียวนั่นเองก้าวครัวเดียวแต่นั้นเองแล้วมันคือสรุปว่าถ้าทําได้ก็ทําไปแต่ถ้าพุ่งไปมากวันไหนแล้วก็นับอายุศาสนาได้เลยอยู่ไม่ได้กี่วันหรอกไปไม่รอดเพราะชาวบ้านจะอุปถัมภ์พระไม่ไหวเลยมันเรื่องสารพัดอย่างนั่นเองงานเหล่านี้จึงไม่ใช่งานโดยตรงของพระหรอกพระองค์ไหนที่พอมีบุญวาสนาช่วยก็ช่วยไปแต่อย่าไปพุ่งหลักเข้าไปนะพุ่งหลักเข้าไปแล้วก็เสร็จ ศาสนาจะอยู่ไม่ได้เพราะไม่ใช่เรื่องคนเรามันมีหน้าที่กันอยู่แล้วนี่นะฮะหน้าที่กันอยู่แล้วปัญหาปัจจุบันที่เรามันยุ่งเพราะเราสับสนกันเราเองทหารก็ไปทํางานอะไรไม่รู้งานก็ทหารไม่ทหารก็วุ่นไปหมดเลยตำรวจก็มาขึ้นอยู่ในตำรวจพระก็เลยไม่อยู่ในพระเนี่ยเราไม่อยู่ในเลนกันตัวเองอ่ะมันอยู่ในเลนกันตัวเองสิแล้วก็ไปกันได้เรียบร้อยเองแหละคนก็มีหน้าที่ที่พร้อมจะเชื่อมกันได้ทั้งหมดแล่นี่นะงานหลัเนี้ยมันก้ากไายเกะกะปาดหน้าปาดหลังกันอยู่เนี่ยเลยก็วิ่งไม่ค่อยได้เป็นไง ทำการให้อยู่ในคันรองของตัวเองในครองของตัวเองอจะไม่มีปัญหาอะไรก็ต่อไปก็คือทําคนให้เป็นมิตรท่านบอกมิตรตะกรโรคือสร้างความเป็นมิตรนะสร้างความเป็นมิตรได้แก่กระทําคนอื่นให้เป็นมิตรด้วยแล้วก็ตัวเองก็สร้างความเป็นมิตรต่อบุคคลอื่นด้วยคือแน่นอนเมื่อคนเราปรารถนาเป็นมิตรความเป็นมิตรเป็นเรื่องกิริยาปฏิกิริยาหรือเราต้องปลูกความเป็นมิตรแก่เขาก่อน เราปรารถนาไมตรีจิตจากบุคคลอื่นนะครเราจะต้องให้ความเป็นมิตรแก่เขาก่อนอย่างปัญหาในการบริหารราชการอะไรต่อไรเนี่ยฮะซึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งมีปัญหาเราจะเห็นว่าที่จริงประชาชนนะพร้อมจะสัมผัสมือราชการนะฮะแต่ราชการไม่เอื้อมมือลงไปสัมผัสที่มันเกิดเป็นช่องว่างระหว่างข้าราชการกับประชาชนถ้าถ้าข้าราชการเอื้อมมือลงไปที่กอบด้วยความเป็นมิตรนะฮะประชาชนก็พร้อมก็มีเกียด จ, จะตายคุยกันานอำเภอสักคำสองคำ เราไม่ทําเองเพราะฉะั้นในสูตรง่ายๆในเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่มีไมตรีจิตเราจะได้ความเป็นมิตรมาจากไหนนสูตร ง, ง่ายๆเราจะต้องสร้างไมตรีจิตขึ้นมาแล้วความเป็นมิตรมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นมิตรจึงเป็นเรื่องที่เราผู้ปรารถนาไมตรี it, เราต้องสร้างขึ้นสร้างขึ้นมาเองโดยความรู้สึกดังกล่าวแล้วนะฮะเรคือมีความรักใคร่ ร่วมสุขร่วมทุกกันได้แนะนําที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์มีอุปการะ ก, กันก็ลักษณะของการละยาณมิตรอยางไม่มีอะไรยิ้มสักหน่อยทักสักคํานึันแสดงไม่จีจิตนี่ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งในคือเราเราจะไปในที่ไหนก็ตามนะเขาบอกนะเขาเล่าะมาเคยพบนานแล้วว่าไอแนวที่ฝรั่งจับมือเนี่ยจะมันเริ่มมาจริงๆอ่ะเริ่มมาจริงๆริไงคนตัวเล็กกับตัวใหญ่มันไปเจอกัน ตัวใหญ่มันนักเลงท่าทางนักเลงไอคนตัวเล็กมันกลัวมันจะต่อยเอาเลยมันไปจับมือมันจับมือไว้มันก็คล้ายๆการแสดงความเป็นมิตรแล้วมันก็เริ่มมีเป็นเป็นเป็นเป็นแนวของการจับมือกันมาตั้งแต่นั้นประเพณีของฝรัง่งคนไทยเราที่ไหว้มันคงจะแนวนั้นเหมือนกันก็ ค, คงจะอาจจะเริ่มแนวมาคล้ายๆกันหรืออาจจะเริ่มแนวมาจากอุปการะก็าตามแต่ว่าการไหว้เราได้อิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานะครการไหวเนี่ยมันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ลิขคำหนึ่งเขาเรียกว่าวัดันยูวัดันยูนี่ก็ออกจะเป็นคำที่แปลกนะฮะแปลว่ารู้ถ้อยคําที่คนอื่นเขาเขาบอกบางทีใช้ในกรณีของคุณสมบัติอุบาสกข้อหนึ่งนะฮะในเรื่องทิฏฐก็เรียกว่าวัดันยูสีรสามปันโนเหมือนกันคือหมายถึงว่ารู้ความประสงค์ของคนที่มา เช่นว่าชาวบ้านพระไปบิณฑบาตก็รู้ว่าท่านท่านต้องการอาหารหรือว่าคนเราเวลาพูดจาปราศัยก็พูดจาเข้าใจกันเข้าใจกันได้บางทีก็หมายถึงาาการจัดความสนิทนะคือคือคือถ้ารู้ว่าคนนั้นก็มีความประสงค์มีความต้องการอะไรแล้วเราก็พอจะช่วยเขาได้มันก็กลายเป็นคนที่รู้ความประสงค์รู้ความต้องการของเขาก็กลายเป็น การจัดมัจฉริยะคือความสนีทให้ออกไปจากจิตใจแล้ววีตมัจฉโรคือปราศจากความความสนิทความสนีทคื อ, อาการเหนียวแน่นนะฮะบาลีเ้าใช้คําว่ามัจฉริยะมัจฉริยะคือมันมันมันมีลักษณะเหมือนกัญชางอมันลักษณะเหมือนกัญชางก็ดึงไม่ค่อยออกมันเหนียวเป็นกิเลสประเภทเหนียวประเภทยางมันก็ออกมาในรูปหลายรูป ซึ่งในศาสนานั้นพระเจ้าทรงแสดงไว้สี่ไม่ใช่ห้าข้อเดียกันคือหนึ่งสนีทสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของเรียกลาภมัจฉริยะคือเราพอจะให้จะสงเคราะห์คนอื่นได้เราก็หวงเราก็สนีทเราก็เสียดายไม่ยอมให้ยอมให้มีคนบางคนเก็บไปน้ํามันไว้วางไว้สมัยก่อนนะสมัยมาเป็นเด็กมีหลวงพ่อองค์หนึ่งบอาเก็บน้ำมันไวตั้งแต่ก่อนสงคราม แล้วก็เพราะว่ามาหลังก่อนจะไม่ใช่ตอนนั้นท่านตายดแต่ตายไปหยิบก็เอาจะหยิบตะมันมาช้เนี่ยพอยกปี๊ปปั๊บก็ห ล, นล่นพลวพัวเลยมันเปื่อยหมดเลยก้างล่างก็นี่คือวัตตนีนะวัตตนีจนว่าไม้ขีดเนี่ยมันมันเปื่อยหมดเลยไ ม, ไม่ไม่ขีดเปื่อยจีวรเปื่อ ย, ป, อย ป, ป, ปี๊บตะมันกาดเนี่ยมันเปื่อยก้างอพอยกปั๊บก็ทะลุเรียบร้อยหมดเลยนี่วัตตนีเออ บางคนจนีในรูปคือไม่บริโภคไม่ใช้สอยด้วยตัวเองพวกลาบเนี่ยฮะไม่บริโภคไม่ใช้สอยด้วยตัวเองนี้พูะเจ้าทรงแสดงว่าเป็นผลเป็นผลคือมันมันมันมันเป็นบาปทางจิตทำให้ติดไม่ไม่ยอมใช้ไม่ยอมใจ่ายแล้วก็กลายเป็นอะไรตรงใช้คำแปลกตลองใช้ว่าเหมือนกระสบโบกนีที่ผีเสือ้อน้ามารักษา คือศาสตรนั้นมีประโยชน์มากมายกายกองในใช้อะไรไม่ได้เพราะว่าผีเสื้อน้ามันรักษาไว้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก ต, ตัวเองคือผีเสื้อน้ำมันก็ไม่ได้ใช้ศสรนะครับแล้วก็คนอื่นเลยก็ไม่ได้ประโยชน์ก็กลายเป็นสาสระน้ํสาสระโบกรณิที่ผีเสื้อน้ำเขาอยากรักษาห่วงแหนไว้ลาภามัจฉริยะแล้วก็อาวาสมัจฉริยะคือสนิ ท, ที่อยู่ กรีที่อยู่คือไม่ต้องการให้คนเราคนอื่นไปอาศัยไปพักผ่อนไปหลับนอนไปเกี่ยวข้องนะฮะซึงจงในในกรณีนี้ถ้ามาชาวบ้านผู้ครองเรือนคืออย่าอย่ามุ่งสลักกีจนเกินไปก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครมาแล้วก็จะให้พักให้ผ่อนก็ต้องดูเหมือนกันกต่ว่ามันก็อีกอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ว่าเวลาอธิบายนั้นท่านม า, มากอธิบายยกพระนะฮะไม่ใช่ยกชาวบ้าน ประชาบ้านเรื่องที่อยู่เรื่องบ้านช่องคือจะเปิดได้คนคนจอนหมอนหมินม่นบางทีมันก็เจอปัญหากันเห็นว่าพระเราเนี่ยมีคนอื่นต้องการมาอยู่ในวัดด้วยต้องการพักในวัดด้วยไม่ให้พักไม่ให้อยู่อย่างเงี้ยก็ถือว่าจะหนีที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็สรุปว่าหวงท้องทิ่นที่อยู่นะฮะยังยั ง, ยงมีที่อำเภออะไรจังหวัดนครรู้สึกจะเขตนะั้นมังเขตอำเภอสว่างเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกมากอำเภอเนี่ย คือคนที่เข้าไปอยู่ในถิ่นของเขาเนี่ยถ้าไปแต่งงานกันที่นั่นแล้วก็ได้อยู่เจริญก้าวหน้าร่ารวยยังไงก็ได้แต่ถ้าไปทั้งสามีพัญญาไปตั้งตัวที่นั่นแล้วนี่นะตั้งตัวใหม่ๆเขาไม่ว่าอะไรหรอกอย่ารวยขึ้นมาก็แล้วกันรวยมันขโมยแหลกหมดเลยอยู่ไม่ได้นี่คือห่วงที่อยู่หวงห่วงท้องถิ่นไม่ต้องการให้ใครเข้ามาอยู่ในถิ่นนั้นเป็น ไอเหตุการณ์ทางภาคใต้ที่มันเกิดคอมนิทขึ้นเยอะเนี่ยก็คือพวกชิ้งทินแล้มาหาถิ่นใหม่แล้วก็ถูกเจ้าถิ่นรังแกเนี่ยทําให้คนต้องต้องบุกบานข้าวไปเป็นข้าไปอยู่ในป่าจะเป็นคอมแล้วไม่คอมก็ไม่รู้ว่ามันก็ข้าวไปอยู่ในป่ายัง ม, มีเยอะเรื่องอะไเนี้ยนี่ก็คือชนิดที่อยู่ต่อไปก็เป็นชนิดะกุลชนิดสกุลคือไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับะกุลของคนอื่น ถือว่าสกุลของเราดีมี เ, เกียรติสูงมีอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องกับสกุลอื่นแล้วก็สันีพวกสนีวันณนะสนีพวกสนีผิวนะฮะก็ก็หมายความได้หลายอย่างไอ้วันณนะนี่หมายถึงพวกก็ได้อ่าหมายถึงผิวก็ได้ได้แก่หวงผิวกลัวผิวจะคล้ำจะดําอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าคนบางทีทํางานเป็นกรรมกรอยู่กลาง กางแดดเนี่ยก็ปิดหูปิดตาหมดเลยมันก็เป็นลักษณะจะนีผิวอย่างนึงแต่ว่าอันนี้ก็ก็ไม่ใช่เรื่องแรงอะไรนะฮะสันิพวกสนีวันณนะที่ก็ถือกันมากคือไม่กเกี่ยวข้องกับวันณนะใดวรนณะวันณนะะอื่นบางทีก็รุนแรงในสมัยพุทธกาลยันถือวรรณะกันหรือก็หรือหลังพุทธกาลก็เหมือนกันแล้วก็สนีธรรมะหรือสนีความดีทั้งหลาย ยังไม่ยอมบอกกล่าววิชาการที่มาเคยบอกว่าประเทศอินเดียเนี่ยมันก้าวหน้าขนาดหนักเลยคือขนาดว่าทำทำเครื่องบินได้เลยฮะแต่บินได้ในระยะต้องบินจากที่สูงแล้วก็ไปลงในที่ซึ่งไม่ไกลเกินไปในทาได้แล้ว เ, เรียกนกยนต์เป็นนกยนต์การแพทย์ก็ก้าวหน้าไปขนาดผ่าตัดสมองได้นลยก้าวหน้ามากเลยสมัยพุทธกาลเนี่ย แต่ว่าไม่มีการสืบต่อหมดเลยพอหมดยุคก็คือหมดสิ้นไปมาทําให้วิชาการต่างๆของโลกก็จะงักงนินนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะหนีความรู้ดังนั้นในที่หกที่เคยกล่าวมาแล้วระหว่างหน้าที่ของครูบาอาจารย์กสิตเนี่ยผู้เจ้าจึงทรงสอนว่าบอกศิละปะให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพระเพราะตัวครูบาอาจารย์นี่จะตายวันไหนก็ไม่รู้ตอนไม่ได้ถ่ายทอดเอาไว้แล้วก็ไม่มีคนรับต่อมันก็ขาดช่วงการสืบต่อซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะ เราลองสังเกตว่าอย่างอย่างนี้อย่างเด็กเรากับเด็กรัสเซียเนี่ยอายุบางก็รุ่นรุ่นรุ่นเดียวกันมันฝึกยกมนาสติกมารุ่นรุ่นเดียวกันแอ้ทําไมเด็กไทยเราไม่ได้สักเหรียญนึงเพราะอะไรเพราะว่าไอ้มันคล้ายๆมันสืบต่อทางสายเลือดมาด้วยนะคือเขาฝึกมาเป็นตระกูลเป็นโคตรง้าวเข้ามาเลยเขาฝึกกันมาอย่างนั้นก็ดูเด็กอายุบางก็รุ่นเดียวกันนี่นะก็น่าจะฝึกได้ทําไมเด็กเราฝึกฝึกไม่ได้ดีเท่าที่ควรเด็กเขาทําไมต้องฝึกได้ ว่าแสดงว่ก็มัน ต, ต, ต้องมีการถ่ายทอดอะไรกันด้วยในทางสายเลือดในทางสิ่งแวดล้อมในทางแรงกระตุ้นอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็มีส่วนมัจฉริยะทั้งหมดเนี่ยท่านจะเห็นว่าก็เป็นตัวเหนียวทั้งหมดเนะ่ยมันมันมีลักษณะเป็นยางอยู่ในตัวก็มันคือดึงทําให้คนติดเอาไว้แล้วก็วิเ น, เนตาวิเนตาอนุเนตานะอันนี้ก็ทรงใช้คําคดีคือเนตาก็แนะนํานะ วิเนตาก็แนะนำให้ชัดเจนอนุเนตาก็ชี้แจงแสดงเหตุผลนี่ก็หมายถึงว่าเป็นด้านของการเกี่ยวข้องการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามปัญหาที่ที่มักจะเกิดที่เรามีความรู้สึกนะฮะว่าเด็กเดี๋ยวนี้พูดพูดจาไม่รู้เรื่องไงเด็กวัวดื้อพูดจาไม่รู้เรื่อง ซึ่งบางทีเราก็ไม่มีการวิเคราะห์ตัวเราว่าไม่แน่ไอ้ที่คนพูดไม่รู้เรื่องเราเองก็ได้เราเองก็ได้คือพูดได้เด็กไม่รู้เรื่องดังนั้นในการนำท่านจะเห็นว่าพระเจ้าใช้คำสามคําเนตาคือแนะนําวิเนตาก็คือชี้แจงแสดงเหตุผลอนุเนตาเอนนุตาก็คือตามแนะนําพร่ำสอนตามแนะนําพร่ำสอนตรวจสอบมันมีลักษณะเคลื่อนไหวการแนะนําเนีำดังนั้น เวลาเราเกี่ยวข้องกับใครก็ตามขั้นของการแนะนําก็ไม่ใช่ว่ า, วากันตรงๆตัวเรื่อยไปเพราะตรงตรงตัวบางคนเขาก็ฟังรู้นะฮะบางคนก็ฟังไม่รู้มัต้องมีอะไรตัวอย่างนิทานบุคคลเข้ามาเทียบเคียงนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ถ้าหากว่าเราใช้หลักอย่างที่ทรงแสดงว่าเป็นผู้แนะนําที่แจ้งแสดงเหตุผลคือแนะนําแนะด้วยแล้ว็นําด้วยนะเนี่ยปัญหาสําคัญอยู่ตรงเนี้ยที่เรา บางทีเราแนะอย่างเดียวผู้ใหญ่เนี่ยมักจะแนะแต่ไม่ค่อยนับมีบอยนะเดินสนนริมวัดเนี่ยฮะที่วัดเนี่ยมีบอยมาเดินพานะลูกทุกพระทุกพระลูกทุกพระทุกพระแม่มันก็นั่งเฉยลูกก็มองหน้าแม่ไม่รู้ทุกยจงไก่ก็นํามันเด็กมันหน่อยก็ไม่ได้ไหมมันจะหนักหนาสาหัสสากันอะไรหนักหนาเจอแต่อยากจะให้ลูกทุกก็นําลูกจะหน่อยนี่เราก็าไม่นำฮะแต่เรากคาแนะคือชอบแนะชอบชอบสับ่งสอน บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะฮะใช้เด็กให้ทาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าท่านไม่ทําให้ดูนะท่านบอกว่าผิดอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดอไอ้ถูกยังไงท่านไม่บอกเมื่อเราบอกผิดเขาเราต้องบอกที่ถูกเขาใต้ที่ถูกเราทําให้เขาไม่ได้เราสาไม่ไม่ไม่สามารถอธิบายเขาเข้าใจได้เราก็ต้องทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างนี่คือปัญหาที่ระหว่างคือเป็นเป็นช่องว่างระหว่างความคิดระหว่างวัยระหว่างบุคคลนะ พ่ออะไรพ่อเรามักจะแนะแต่เราก็ไม่มีการนำัำทำไมพระพุทธเจ้าจึงทำสําเร็จพระเจ้านั้นสอนอย่างไรท่านทําอย่างนั้นท่านทำอย่างไงท่านก็สอนอย่างนั้นสิ่งที่สอนก็คือสิ่งที่ประมงทาสิ่งที่ประมงทาก็คือสิ่งที่ประมงสอนมันไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโดอย่างสมมุติว่าภายในบ้านเนี่ยเราต้องการไม่ต้องการในลูกเราพูดคำหยาบเลฮะพ่อกับแม่พูดกันให้ไปรอดไปราะหน่อยเลตื่นกันมาเช้าจะไปทะเลาะ ก, กัน ถ้าพ่อกับแม่ทะเลาะกันพูดคำหยบาบกันมึงมาพาโบยแล้วให้ลูกภัยไปเราะได้ยังไงมั น, ม, นมันก็เป็นไม่ได้นะฮะเพราะว่าพ่อแม่เขานำนำลูกลูกมันก็ตามนี่ก็คือพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าเนตาวิเนตานตาก็คือนำหมายความว่า เ, เราต้องการจะให้ลูกเราเดินไปในทิศทางใดหรือว่าคนของเราเดินไปในทางทิศทางใดเราก็นา อย่างสมมติว่าเราเป็นสมภารเนี่ยฮะเป็นสมภารเราต้องการให้ลูกวัดเราลงโบสถ์พร้อมเพรียงกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยากเจนอะไรนะฮะ <oun. S 1> เราก็ต้องขยันลงเราต้องขยันลงเองแล้วคนอื่นลงเองนะฮะมันเป็นคนเราเนี่ยเป็นเรื่องของสันชาติ์ยานฝูงหรือเราต้องการจะให้ซึ่งให้เงียบในบ้านนะให้เงียบในบ้านเราก็เงียบเงียบแล้วคนอื่นก็เงียบเราต้องการจะให้ลูกเราไหว้พระสวดมนต์อยู่ภายในบ้าน เราก็นำไหว้พระสุดมนครั้งแรกลูกอาจจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาหน่อยนะฮะแต่ว่าในที่สุดเด็กแกก็จะตามเองตรนนั้นเราจึงใช้คำมาแนะนำทั้งแนะด้วยทั้งนำด้วยแล้วก็ปัญหาบางอย่างในกรณีที่ต้องใช้เหตุผลหรือเด็กแกต้องต้องรู้อะไรคือเหตุผลเนี่ยเราก็ต้องอธิบายแกให้เกิดให้เกิดความเข้าใจ วินัยตาก็คืออะไรคือนําให้มันชัดเจนนําให้วิเศษขึ้นนําให้ดีขึ้นนะฮะนาให้ชัดชัดเจนแจ่มแจ้งในประเด็นของสิ่งที่เด็กยังไม่เข้าใจหรือว่าในด้านของความประพฤติเมื่อเด็กกรเดินไปได้ในจุดนี้เราก็นําตามกไปด้ว่อยๆก็เป็นเรื่องครอบครัวทั้งหมดอะนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องในสิ่งแวดลอ้อมในสังคมทั้งหมดเพราะว่าเป็นขีปฏิบัติไม่ใช่เป็นขีวินัยอย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อวันก่อนนี่ จะมีอาจารย์เขาเขามานี่หมดนี่หมดไปอบรมเด็กอามาอย่างค้างแกบอกว่าเด็กไม่ชอบฟังภาษาธรรมะไม่ชอบไม่ไม่ชอบฟังภาษาบาลีนะฮะไม่ชอบฟังภาษาบาลีแล้วก็ไม่ชอบเรียนธรรมะที่คือมันตรงกับหลักสูตรนะฮแล้วครูก็ไปสนับสนุนในกิจกรรมเหล่านั้นอันนี้เป็นความผิดพลาดอย่างแยงอย่างแรงเพราะฉะนั้นวันนั้นอามาจะพูดเรื่องนี้ก่อนจะพูดเรื่องนี้ก่อน เพราะอะไรเพราะว่าว่ากันตามความเป็นจริงแล้วนะฮะในชั้นเรียนก็คือเรียนการที่พระไปอบรมนั้นมันต้องหนุนหลักสูตรของเด็กต้องพูดเสริมส่งหลักสูตรการศีลธรรมจัญญาสัมมาคารวะที่ครูสอนมาเนี่ยพระเป็นคนกลางเนี่ยไปสอนเสริมได้เพราะว่าพระก็ไม่ต้องการให้เด็กไปพินอพิษฐรอะไรตัวเองก็ไม่ได้พบอะไรกัน แล้วก็ไม่ให้พูดเรื่องเกีย่ยวกับหลักสูตรแล้วจะให้พูดเรื่องใดก็เล่นกำลังภายในอะไรนี้่ไดโดเรมอนเหมือนอะไรพูดคือเนี่ยไปเดาตามเด็กมันไม่เข้าเรื่องไม่ไม่ได้จิตวิทยาอะไรหรอกการสอนนักเรียนในรับขนาานั้นนะก็นําเด็กเข้ารถเข้าพมคือเราต้องการจะนําเด็กเราไปในทางไหนอุตส่าห์นิมนต์พระไปตั้งทีหนึ่งปิดกั้นไม่ให้พูดเรื่องธรรมะไปเลยไม่พูดเรื่องธรรมะที่มันสัมพันธ์กับหลักสูตรอะเด็กมันอยู่ในไอหลักสูตรนี่เขากำหนดพืออ้นฐานไว้เด็กมันก็ต้องรู้ขนาดนี้แหละ แล้วไม่พูดภาษาบาลีนี่ยิ่งยิ่งเลอะใหญ่นะเราไม่รู้ว่าภาษาไทยเนี่ยมันมีภาษาบาลี 25% ปัจจุบันนี่มากกว่าในชื่อคนเนี่ยเอามาลองกลางดูดิชื่อเป็นบาลีเมืองไทยก็เป็นชื่อแขกแล้วไม่พูดภาษาบาลีไงพูดไม่ไม่พูดภาษาบาลีเรียกชื่อกันก็ไม่ได้ม่ชื่อเป็นภาษาบาลีถึงนั้นนะี่นะภาษาไทยเรามีสไลด์ก็มีสิภาษาไทยเราเราก็ไม่เคยใช้เลยด้วยนะ ดำก็ไม่เอาแล้วชื่อกันหายเงี้ยแก้วก็ไม่เอาชื่อรัตนารั ต, น, รต น, นียมันก็แก้วอหะมันก็บาลีเมแก้วก็มันมันบาลีเนี่ยมันมีชีวิตปรจะจําวันของเรานี่ยไม่พูดภาษาบาลีได้ยังไงาาไ บ, าบาลนะีมันเป็นภาษาไทยไปแล้วปัจจุบันนะมันเป็นภาษาไทยไปแล้วก็เนี่ยสมสมมติว่าสวัสดีนักเรียนทั้งหลายอสวัสดีมันบาลีอยู่แล้วนะเราจะเห็นว่าพอขึ้นถึงมันก็พูดไม่ได้แหละพนุธาสวัสดีนักเรียนทั้งหลาย สวัสดีก็บาลีแล้วเรียบร้อยไปแล้วนะฮะไม่มีคำหรอฮะที่จะไม่มีภาษาบาลีปนอยู่ไม่มีทางพูดได้ในภาษาไทยเนี่ยแต่จะพูดยาวๆนะฮะเพราะภาษามันเป็นเรานึกดูนะฮะ บ, บาลี 25% เสันนิษฐประมาณ 40% กว่าเปอร์เซ็นต์อีกสิบห้าิเอนนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีศัพท์บัญญัติเพิ่มขึ้นนะฮะ ไ, ไอตัวเลขมันก็ห่างกันอยู่หน่อยแต่เมื่อก่อนในภาษาไทยิบาซภาษาบาลียเภาษาสนันนหส แล้วภาษาอื่นอีก1ิบสิบงเนดี๋ยวนี้มันก็มันก็เราสรัพ บ, บั ญ, ญยัติบรรยัติศัพท์างวิชาการเพิ่มขึ้นในตัวเลขมันก็คลากเคลื่อนนิดหน่อยแต่สรุปว่ามันเป็นไปไม่ได้ในที่สุดชุดนี้ทั้งชุดนะฮะส่งแสดงว่าผู้สงเคราะห์ทําทตนให้เป็นมิตรรู้ถ้อยคําที่คนขอาการาบประศจาิความเจริญแล้วก็เป็นผู้แนะนําที่แจงสแสดงเดหตุผลได้ตาดีโศละปฏิญยสังก็ได้ยศเหมือนกันตกลงว่าทรงสแสดงธรรมะสามชุดในตอนนี้ เป็นหลักการปฏิบัติเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับบุคคลในสังคมไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามเพราะว่าก็ขึ้นมาเรื่อยนะฮะจากตัวเองจากบุคคลที่แวดล้อมตัวเองจากกระจายวงออกไปแล้วก็มาอยู่ในสังคมเอามาถึงจุดเป็นชุดๆแล้วในสรุปตอนสุดท้ายก็กลายเป็นว่าจะได้ยศคือทั้ง3มยศนะฮะทั้งบริวารนายศเกียรติยศแล้วก็อิสรยศ สิงค้าและกระสูรในวันนี้ก็คงยังไม่จบหเพราะว่าต่อไปนะเป็นเพราโลกเลยจะไปไปไปขาจายที่โลกมเจ้าออกจากตัวเองไม่หาโลกเลยก็สมหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงนี้ครับ